สิกขาบทที่สว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บเรื่องภิกษุณีทุลนันทา892สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถมาิธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งทำจีวรไม่ดีเย็บไม่ดีทั้งที่ใช้ผ้าสำหรับทำจีวรราคาแพงภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ ว่าแม่เจ้าผ้าสำหรับทำจีวรของท่านดีจริงแต่กลับทำจีวร <intro> ไม่ดีเย็บไม่ดีภิกษุณีนั้นกล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันจะเลาะออกท่านจะเย็บให้หรือภิกษุณีทุนลนันท า, ากล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันจะเย็บให้ครั้นแล้วภิกษุณีนั้นจึงเลาะจีวรแล้วมอบให้ภิกษุณีทุลนันทาภิกษุณีทุลนันทากล่าวว่าดิฉันจะเย็บให้ดิฉันจะเย็บให้ แต่ไม่เย็บให้ทั้งไม่ควรควายใช้ผู้อื่นให้เย็บภิกษุณีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพนธนาว่าฉะนั้นแม่เจ้าทุรนันธาจึงให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้วไม่เย็บให้ทั้งไม่ควรควายใช้ผู้อื่นให้เย็บเล่าคัดแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ